แปดสิบเก้าญาตกาทิคหณะกถาว่าด้วยพวกญาติเป็นต้นจับภิกษุเรื่องภิกษุถูกพวกญาติเป็นต้นจับไว้ข้อ166สมนนั้นในวันอุโบสถนั้นหมู่ญาติได้จับภิกษุรูปหนึ่งไว้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันอุโบสถนั้นหมู่ญาติได้จับภิกษุไว้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับหมู่ญาตินั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกรณาปล่อยภิกษุนี้ไว้สักครู่จนกว่าภิกษุนี้จะทำอุโบสถเสร็จเถิดหน้าที่สมควรสักครู่จนกว่าภิกษุนี้จะมอปาฤทธิท์ทเสร็จเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่ น, น, นเป็นการดีถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับญาติเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกรุณานําภิกษุนี้ไปไว้นอกสีมาสักครู่จนกว่าสงฆ์จะทําอุโบสถเสร็จเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้อย่างนั้นสงฆ์ไม่พึงแบ่งพวกกันทําอุโบสถถ้าแบ่งพวกกันทําต้องระบาดทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันอุโบสถนั้น พระราชาทั้งหลายทรงจับภิกษุไว้พวกโวนจับไว้พวกนักเลงจับไว้พวกภิกษุที่เป็นศัตรูกันจับไว้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับพวกภิกษุที่เป็นศัตรูกันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกรุณาปล่อยภิกษุนี้ไว้สักครู่จนกว่าภิกษุนี้จะทำโมโสดเศธเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับพวกภิกษุที่เป็นศัตรูกันนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย โกโรณารอหน้าที่สมควรสักครู่จนกว่าภิกษุนี้จะมอบปาริสิทธิเสร็จเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเพึงกล่าวกับพวกภิกษุที่เป็นศัตรูกันอย่างนั้นว่าท่านทั้งหลายโกโรณานำภิกษุนี้ไปไว้นอกสีมาสักครู่จนกว่าสงจะทําอโบสถเสร็จเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้อย่างนั้น สงไม่พึงแบ่งพวกกัธรรมอุโบสถถ้าแบ่งพวกกัธรรมต้องอาบัตรทุกกฎ